คราวนี้ก็จะเล่าเรื่องจริงผสมทิธานธรรมะให้พวกญาติโยมได้ฟังกันสมัยสามก๊กเมื่อเล่าปี่เนี่ยได้เป็นกษัต ร, ริย์ใหม่ก็จะนำทัพไปตีเมืองกลางตังของสุนกวนเพื่อล้างแค้นให้กับกวนอูน้องราบาลที่ถูกทางสุนกวนเนี่ยฆ่าตาย อยู่โล่งและขงเบ้งนี่เขาคัดค้านไว้ไม่ให้นำทัพไปเพราะว่าถือว่าการล้างแค้นส่วนตัวควรจะยกทัพไปตีโจผีมากกว่าเพราะโจผีเนี่ยตั้งตัวเป็นกษัตริย์โดยปลดพระเจ้าเฮียนเต้ซึ่งเป็นฮองเต้ราชวงฮั่นออกถือไปขบฏแต่แล้วปีก็ไปยอมจะต้องไปล้างแค้นให้ได้ขุนนาง คัดค้านเท่าไหร่ก็ไม่ยอมฟังแม้แต่องเบ้งที่เราปี่ไว้ในเชื่อใจแล้วเป็นที่ปรึกษาไปกุญซือเนี่ยก็ไม่ยอมเชื่อเหมือนกันบอกให้องเบ้งเนี่ยเฝ้าเมืองตัวเราปี่จะยกทัพไปปราบสุนกวนเองการเตรียมทัพเนี่ยต้องเตรียมต้องประมาณสองปีใช้ทหารประมาณเจ0 0แสนก็ถือว่าเป็นทัพใหญ่ทางคุณกวนเนี่ยพอรู้ข่าวว่า เล่าปี่ยกทัพมาถล่มกลางต่งเนี่ยก็กุมใจและเครียดมากพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อประดีประนอมโดยยอมยกเมืองที่ยึดมาได้จากกวนอูเนื้อคืนให้คือเมืองเกียงจิวทางเล่าปี่ก็ไม่ยอมอยู่ดี เ, เงื่อนไขอื่นอีกมากมายเมื่อจะเป็นยอมเป็นพารามิตรแล้วก็ส่งคนที่ฆ่าเตียวหุยเพราะเตรียมทัพเนี่ยเตียวหุยซึ่งเป็นน้องน้องเล็กหรือน้องสามเนี่ยน้องโรคสาบานเนี่ย คือผ้นเจ้าโลมุทะลุก็ได้บังคับทหารให้จัดชุดเ ต, ตรียมนุ่นเตรียมนี่เคี่ยนทหารด้วยแล้วตัวเองก็กินเหล้าเมาหลับไปก็โดนทหารที่ตัวเองเนี่ยเคี่ยนตีเนี่ยรอบค่าตัดหัวไปให้ทางสุนกวนทีนี้เล่าปี่ก็แค้นหนักเลยกลายไปว่าน้องรอบสาวบานสองคนเนี่ยไม่ใช่เปกวนอุกวนอูเตียวหุยก็ต้องตายด้วยเพราะทางสุนกวนเป็นเหตุจึงโยนควาแค้นให้ทางสุนกวนทั้งหมดเล่าปี่หลังจากที่เป็นกษัตริย์เนี่ย จากเดิมที่พปใจเย็นเป็นคนมีเหตุผลมีเมตตาต้นหลังเปลี่ยนเป็นคนละคนเป็นคนเจ้าอารมณ์เจ้าโทสะไม่ฟังใครการหดดื้อรั้นเพรเปลี่ยนไปจากเมืองเสฉวนมากังตังเนี่ยระยะทางก็ไกลมากเพราะว่าเสฉวนอยู่ทางตะวันตกของจีนกังตังเนี่ยอยู่ทางตะวันออกการเดินทางใช้เวลานา น, านสมัยก่อนก็ไม่มีรถเหมือนสมัยนี้เดินต้องใช้เดินเท้าทหารท่ารเดินเท้า ถ้าเป็นเป็นพวกแม่ทัพทหารเอกต่างๆก็ต้องนั่งมา้าการเดินทางก็ต้องใช้สเสบียงยากลำบากสุนกวนหนักใจเพราะว่าที่ปรึกษาหรือแม่ทัพ เ, เก่งๆก็เสียชีวิตไปหมดแล้วไม่เป็นจิวี้โรโซกหรือแม้แต่ขุนพลเก่าๆที่เก่งๆล่ะก็ไม่รู้จะทำไงดีจนมีคนแนะนำให้แต่งตั้งลกซุนซึ่งเป็นบัิตหนุ่มเนี่ย แต่เป็นคนที่มีปัญญาเฉลียวฉลาดเนี่ยให้เป็นแม่ทัพแทนและมอบอำนาจดาบยาสิทธิ์ให้ถ้าใครขัดขืนทะประหารทันทีพวกแม่ทัพซึ่งอายุเยอะกว่าก็ไม่ค่อยยอมรับในกูดูายของลกซุนเลาปีอีกครั้นยกทัพมาถึงก็ให้ทหารเนี่ยมาทา้ารบสโกนดาาาา่ายายิาคลายเพื่อยุยทางต่างๆเนี่ยออกมาลบกันเพราะว่าถือว่ากาลังพลเนี่ย มีจำนวนมหาศาลกังตังฐานน้อยกว่าแต่ทางลกซูนเนี่ยใช้อุบายไม่ยอมออกไปลบด้วยให้สงบไว้ทางฐานเล่าปี่มาล้องท้าก็ไม่ยอมไปลบโดนโดยยอมรับคำผู้ถักฐานต่างๆทางแม่ทัพมือกังๆงก็ไม่ค่อยพอใจกับหลายคนเพราะต้องการจะลบเนี่ยทางลกซูนก็บอกถ้าลบเนี่ยจะประหารคนก็เลยต้องยอมทาตามฐานก็เล่าปี่เดเดินทางมาไกล คั้นทางต่างๆไม่ยอมลบด้วยเนี่ยได้แต่ดูเชิงเนี่ยก็ต้องเสียทะเบียงไปเรื่อยๆต่อหลังก็เริ่มประมาทแล้วเริ่มรู้สึกว่าผ่อนคลายจากตอนแรกฮึกเขิมทางเล่าปีเนี่ยก็ดูถูกลกซูนว่าเป็นเด็กบ่อวันซืนจะมาสู้อะไรได้ของกลัวตนน่ะถึงได้ไม่ยอมออกมาลบด้วยจะหารู้ไหมว่าตัวเองคิดผิดเล่าปีประมาทมากโดยให้ทหารเนี่ย ตั้งค่ายอยู่ที่ริมแม่น้ําริมป่ามัง่งเป็นแนวประมาณเจ็ดเจ็ดร้อยลี้ก็ไม่รู้ว่าเจ็ดรอยลี้ยาวขนาดไหนเพราะทหารเจ็ดแสนคงจะจํานวนมโหฬารเนี่ยลูนะลกศรนี้ก็รอรอโอกาสนะจนวันหนึ่งเนี่ยโ อ, อกาสเป็นใจลมพัดแรงก็จู่ๆแบบสายฟ้าแลบโดยให้ทหารเนี่ยนําไฟไปเผาเผาค่าย ทาของเล่าปีซึ่งประมาทอยู่หลังจากคายโดนไฟเผาเนี่ยพวกทหารก็ตกใจตื่นขึ้นมาเนี่ยเพราะมันก็นคืนก็นมืดเนียก็ฆ่ากันเองอ่ะตายกันเกลื่อนเลยเพราะไม่รู้ใครเป็นใครชุลมุนทหารก็หนีตายกันอุตลุดอ่ะเพราะแพ้เล่าปีเองก็ต้องหนีหนีแล้วสงครามครั้งนี้อ่ะเล่าปี่แพ้ยับเยินเลย เสียตหาไปทั้งหลายแสนเหลือกลับไม่เท่าไรแล้วก็ทำให้ตัวเองน้ำทวามใจตายอันนี้เพราะว่าตกอยู่ใต้อำนาจของอำนาจและแต่อำนาจของความคิดความโกรธความพยาบาทความแค้นเนี่แหละทำให้เสียคนละอุดมการที่ตอนแรกเนี่ยก็จะฟื้นฟูราชวงศ์ข้างโดยจะรบรวมแผ่นดินให้สำเร็จแต่ก็ทาให้สาเร็จเพราะว่า ความคิดตัวเองแท้ๆอีกเรื่องหนึง่งเรื่องนี้เกิดในสมัยปลายยุคชุนชิวหรือสมัยเลียดกบมีเมืองเมืองหนึ่งชื่ อ, อว่าเมืองเยเจ้าเมืองก็คือโกเจียนเมืองเย่ยได้ทำสงครามกับเมืองอูเจ้าเมืองเจ้าเมืองชื่อว่าฟูชัยทั้งสองเมืองเนี่ยลบกันประจาตั้งแต่รุ่นพ่ออันนี้จนมาถึงรุ่นลูก แล้วก็ทาําสงครามกันครั้งนี้ก็ทางโกเจียนเป็นฝ่ายแพ้ถูกล้อมเมืองไว้ทางกุญซือของโกเจียนก็เสนอให้ทางโกเจียนเนี่ยยอมรับฝาอบยศโดยให้ยอมเป็นเฉลยของทางเมืองอูโดยติดสินบนทางคนสนิทของผู้ชายเนี่ยให้รับเป็นเฉลยอย่าได้ฆ่าทางหลังจากเป็นเฉลย โกเจียนก็มีหน้าที่เนี่ยคอยดูแลหลุมหลุมศพหรือห่วงซุยแล้วก็มีหน้าที่เลี้ยงม้าต้องหายาให้ม้ากินเวลาองคฟูชัยเนี่ยเดินทางไปไหนก็มีหน้าที่จูงม้าให้อันนี้สร้างความอับอายยศให้กับโกเจียนมากทับแขนใจแต่เล่าทนไปเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีชีวิตรอดกลับให้ได้อยู่ที่นั่นเกือบสามปี แต่เขามีแผนนะโดยการติดสินบนทางพวกขุนนางที่ใกล้ชิดกับ อ, องผู้ชายเนี่ยให้พูดถึงความดีความซื่อสัตย์ของโกเจียนบ่อยๆให้ผู้ชายได้ยินเพื่อให้ไว้เนื้อเชื่อใจว่าจะไม่จะไม่ทรยศจะไม่ขบวไงแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่ง อ, องผู้ชายก็ป่วยโกเจียนเน่ ก็เข้าไปดูอาการแล้วก็แตะเอามือเนี่ยแตะราะชีบุจระของขาฟูชยัยแบบไม่ลังเกียจแล้วก็บอกโรคเนี่ยใกล้หายแล้วครั้งนี้ทำให้ อ, องฟูชัยเนี่ยเชื่อใจโกเจียนมากเลยว่าซื้อสารและพักดีจึงอนุญาตให้กลับเมืองตัวเองได้ให้เป็นเจ้าเมืองเย่เหมือนเดิม หลังจากกลับถึงเมืองเนี่ยโกเจียนแทนที่จะแทนที่จะเป็นเจ้าเมืองแบบสบายๆด้วยความคับแค้นใจความอับยศที่ได้รับจากการเลี้ยงม้าและชีบุจระเนี่ยก็ทำให้แค้นมากแล้วก็วางแผนที่จะต้องตีเมืองอู่ให้ได้โดยซ่องสุมกาลังทาหารตัวเองเนี่ย เวลานอนแทนที่จะนอนสบายนะก็หากองฟืนมานอนดูกองฟืนแล้วก็ชิมพวกดีเพื่อให้ขมเพื่อให้ไม่ให้ลืมความเจ็บปวดเพราะถ้าเกิดอยู่สบายเดี๋ยวก็ลืมแล้วก็ใช้กลยุทธ์ต่างๆเนี่ยเป็นเวลา10ปีนะโดยส่งหญิงงามไซซีไปให้เพื่อให้ อ, องคูชายรุ่มหลงแล้วก็ส่งไม้ใหญ่ๆไปให้เพื่อให ทางรู้เนี่ยสร้างวังสร้างปราสาททหารก็ไม่ได้ฝึกมัวแต่สร้างรูนสร้างนี่เพื่อเอาใจ อ, องทำให้ทหารอ่อนแอทางเมืองเยี่ยนี่ก็ต้องส่งสเสบียงให้ทางเมืองอูดะเพราะเป็นเมืองขึ้นเนี่ยตอนแรกก็ส่งข้าวส่งอะไรไปให้ปกติเนี่ยตอนหลังๆเนี่ยครั้งสุดท้ายเนี่ยก็ส่งข้าวแต่ว่าก็เอาข้าวเนี่ยอัดร้อนมาต้มซะ ข้าวก็ไม่สามารถไปปลูกได้ทำให้ฐานอ่อนแอเสบียงขาดแคนเจ้าเมืองลุ่มหลงนาลีแล้วโอกาสก็มาถึง10ปีพอดีทางโกเจียนก็นำทัพเนี่ยบุกเข้าไปที่เมืองอูแล้วก็สามารถชนะบีบให้องผู้ชายเนี่ยขาดตัวตายอันนี้สำเร็จเพราะความแคนและความตั้งใจถ้าเรามองโกเจียนในแง่ธรรมะเนี่ย ก็ถือว่าเป็นคนที่ทุกข์อยู่ล้อนอนทุกข์เพราะ10ิปีที่ตนเองเนี่ยคิดถึงเรื่องความแค้นทุกวันโดยไม่ยอมลืมเนี่ยมันเผาเนะี่ความโกรธความอาฆาตความพยาบาทเนี่ยท่ทานทำสําเร็จเนี่ยโกเจียงก็กลัวคนจะเอาความลรับต่างๆสมัยที่ตนเองเลียเ้ยงม้าชีบุญจะได้เปิดเผยเนี่ยพยายามกำจัดฐานคนสนิทที่เคยร่วมทุกข์รวมสุขกันมาเนี่ยหลายคนเพื่อเพื่อเก็บความลับไว้ ฝ้าหลี่ซึ่งปกุญซือหรือเป็นคนวางแผนทั้งหมดนะรู้ว่าโกเจียนเนี่ยเป็นคนที่ร่วมทุกได้แต่รบสุขไม่ได้จึงชิงหนีออกไปก่อนจึงไม่ตายตส่วนคนอื่นเนี่ยก็ถูกฆ่าตายไปหมดเหลือแต่พวกที่ไม่รู้ความลับสองเรื่องนี้ที่มาเล่าเนี่ยเป็นความแค้นถือว่าแค้นระดับใหญ่นะเพราะว่าผนกคนอื่นด้วยไนงะเล่าปีทำทหารตายได้ต้อง หลายแสนโกเจียนก็ทำคนตายมากมายจากความแค้นอาฆาตของตัวเองเพราะตกอยู่ใต้อำนาจของความโกรธความพยาบาทความโกรธความเกลียดถ้าตกอยู่กับใครเนี่ยก็จะทำให้ผู้นั้นเนี่ยอยู่ร้อนนอนทุกข์อีกเรื่องหนึง่งมีผู้หญิงคนหนึง่งผู้หญิงคนนี้ได้แต่งงานเป็นลูกสะพ้ยบ้านคนจีนแต่เธอก็ไม่ถูกกับแม่สามีนะ เพราะแม่สาบายเนี่ยไม่ชอบหน้าเธอเท่าไรไม่ถูกจิตาคอยจุกจิกจู้จี้ขี้บน่นพูดจาเหน็บแนมหรือต่อว่าเสมอทําให้ทะเลาะบาะแวงง้งกันประจํานานๆเข้าเธอเกียดแม่สามีมากจนนี้สุดเธอก็วางแผนที่จะฆ่าแม่สามีแล้วตอนนี้เพราะว่าความเกลียดเนี่ยมันถึงที่สุดละอยู่โลกกันยากก็เดินทางไป หาเพื่อนพ่อที่เปิดร้านยาสมุนไพรไปถึงก็เล่าให้ฟังเพื่อนพ่อก็เอายาสมุนไพรมาให้ถุงหนึ่งแล้วก็บอกเธอว่าให้เธอนำยาเนี่ยค่อยๆใส่เทียน้อยนะถ้าใส่หมดเดี๋ยวคนจะสงสัยว่าเธอเป็นคนฆ่าให้ใส่วันละน้อยแล้วให้เธอเนี่ย ทำตัวให้ดีขึ้นโดยให้เอาใจแม่สามีเธอว่าอะไรก็อย่าเถียงทำอาหารอร่อยๆให้เธอทานทุกวันหญิงคนนี้ก็ทำตามทำไปนานๆเข้าเนี่ยแม่สามีจากตอนแรกที่เกลียดชังลูกสะภ้ายเนี่ยกลายเป็นรักลูกสะ้าเหมือนลูกแล้วเพื่อนบ้านมาก็ชมชื่นชมเด่นลูกสะภ้ายเนี่ยลูกสะพ้ายเนี่ยเป็นคนดี ใครทานแข็งทาอาหารก็อร่อยแล้วก็ไม่ดูด่าว่าเหมือนเมื่อก่อนรักลูกรภระยาเหมือนลูกของตัวเองฝ่ายหญิงคนนี้หลังจากดีกับแม่สามีแม่สามีเนี่ยเปลี่ยนทัศนคติจากร้ายกับเธอมาเป็นดีเนี่ยเธอก็เปลี่ยนไปเหมือนกันจากตอนแรกเกลียดตลังก็รักแม่สามีเหมือนแม่ตัวเองแท้ๆจึงวิตกกังวลว่ายายาที่เธอใส่ให้เนี่ย อาจจะทำให้แม่สามีตายได้จึงรีบไปหาเพื่อนพ่อแล้วแล้วมาถึงก็ขอยาถอนพิษเพื่อช่วยแม่แม่สามีตายเพื่อนพ่อก็ยิ้มแล้วก็บอกว่ายาที่ให้ไปเนี่ยมันไม่ใช่ยาพิษหรอกมันเป็นยาสมุนไพรบารุงร่างกายยาพิษที่แท้จริงเนี่ยอยู่ในจิตใจของเธอต่างหากถึงตอนนี้เธอได้ถอนออกหมดแล้ว ด้วยความรัมกความให้อภัยอุยาพิษในจิตใจเนี่ยน่ากลัวทาราสะสมไว้มันก็ให้โทษถามว่าเราไม่อยความสุขอารมณ์เหล่านี้มันอารมณ์ที่เผาไม่ใช่อารมณ์ที่สุขถ้านักปฏิวัติธรรมเนี่ยถูกอารมณ์ความโกรธความเกลียดความมาคาดตครความจิตใจเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยต่างกับอารมณ์ความรักความเมตตาหรืออารมณ์ที่ดีๆนะ อีกเรื่องหนึง่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสมัยเมื่อปี5้าเก้าดียรอาตมาได้นําวิดีโอเรื่องหนึง่งไปลงใน YouTube ตอนนั้นเพิ่งเล่น u t u b e ใหม่เป็นหนังธรรมะเรื่องหนึง่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีววัตของเวรังแต่เรื่องนี้ก็สร้างไว้นานมากแล้วตั้งแต่อาตมายังไม่เกิดเลยจนหาข้อมูลลําบากว่าสร้าง พ, พอสศเท่าไหร่แต่หนังนี้ก็สร้างไว้ดีนะจะเน้น ช่วงที่คนไม่ค่อยพูดถึงน่ยคือช่วงที่ทเบหลังเนี่ยบรรลุธรรมแล้วได้รับบาตรรับปีวรเนี่ยแล้วไปอยู่ป่าต้องสิบหปีนีซึ่งหนังจะเน้นเสนอเรื่องอยู่กับพานเนี่ยต้องสิบห้าปีเกือบครึ่งเรื่องอ่ะซึ่งจริงๆแล้วคนบรรลุธรรมเนี่ยทเบหลังไม่กินเนื้อสัตว์นะไปอยู่กับพานเนี่ยพานเขากินเนื้อสัตว์กันท่านก็เอาเอาผักเนี่ยไปใส่ลงในหม้อต้มเนื้อสัตว์น่ยแล้วก็กินแต่ผัก จนพวกพานเนเห็นว่าเป็นคนโง่คนเซ่อไปเลยแล้วก็ถูกพานเนี่ยรังแกบางทีชกต่อยบ้างด่าบ้างเสียดสีบ้างมหคะก็ทําร้ายจนเกือบตายอ่ะทางเวรหลางก็ไม่เคยโกรธพานที่ทําร้ายเลยนะก็พูดดีและให้อาภัยทุกครั้งพระสารทเวรหลังเนี่ยไปแอบปล่อยสัตว์ที่พวกพานจับได้อีกพวกพานรู้ก็ลงโทษทุกครั้งใช้ชีวิอยู่กับพานด้วยความยากลาบาก กินอาหารก็กินไม่สะดวกเรื่องนี้อัตมาชมเนี่ยบางครั้งน้ำตาไหลเลยนะพราะเราเราซ า, าบซึ้งแบบว่าโอ้คนดีอย่างนี้มียังมีได้เหรอโดนรังแกเนี่ยก็ไม่โกรธเพ่งทําได้ยากมากแถมตอนหลังยังไปช่วยคนที่ทําร้ายตัวเอ ง, เ อ, งอีกให้ร่อตายแล้วไปบอกว่าเป็นเพื่อนรักจนตอนหลังเนี่ยคนที่รังแกไวหลังอยู่เป็นประจําเนี่ยเกิดความซาบซึ้งใจ แพ้ใจก็เลยให้คนสลักรูปท่านเวลางไว้เป็นเทียนลึกอันนี้เปลี่ยนจากศักตรูเป็นมิตรเพราะการให้อภัยและความรั ก, รกที่เมตตาแต่ท่านเวลางเนี่ยบรรุทําแล้วไม่มีตัวตนก็ทำอย่างนั้นง่ายและจะออกจากป่าซึ่งเราก็รู้กันนะฉากแรกก็คือไปเจอไปเพื่อจะบวชแล้วก็ไปเจอไปถึงวัดก็เจอทงไหว เืองี้คนกว็วล่ากันบ่อยอมาก็ไม่พูดแล้วถือว่าถ้าเวียหลังเนี่ยมีเรื่องหายไปก็หลายเรื่องแต่มันก็เล่ายากอยู่ชมแล้วก็ได้แง่คิดเลยสมมุติเราเกลียดใครเราโกดใครอ่ะท่านนึกถึงถ้าเวียหลังเนี่ยเรื่องโกรธเกลียดเราเป็นเรื่องเล็กๆไปทันทีเลยเพราะขณะเขาฆ่าเราไม่อยอมให้ฆ่าเลยคนที่เข้าถึงธรรมเนี่ยจิตใจเขาจะมีเมตตาอ่อนโยนไม่โกรธไม่เกลียดไม่มีอะไรที่มาข้องําใจแต่เราจะใช้วิธีแบบ ปล่อยให้ความโกรธเป็นแบบเล่าปีแบบโกเจียนหรือแบบลูกสะภ้ายลูกสะั้ยที่คิดฆ่าแม่ผัวเนี่ยอันนั้นถือว่าความโกรธเข้ามานจิตใจจนแบบย่ำแย่แล้วเผาเผาเผาโลจิตใจถ้าเรามาฝึกจรรยิตสร้างกัารูกตัวเนี่ยอารมณ์เหล่านี้จะครอบงาเราไม่ได้เลยถึงครอบได้ก็แป๊บเดียวไม่นานคือมันไม่มีแรงพอที่จะครอบงำมาได้ขนาดนั้น สติและความรู้สึกตัวเนี่ยถ้าเราฝึกใหม่ๆ ม, มันยังไม่ให้ผลหรอกเดือจงกรมไปตีนก็หนักยกมือไปมือก็หนักความคิดมันก็ไม่ร่วมมือด้วยพยายามทำให้คนเนี่ยออกจากการฝึกเพราะว่าถ้าเราเคลื่อนมือเดือยวจงกรมเนี่ยความคิดมันทำงานไม่ถนัดไงความคิดมันครอบงำเราไม่ค่อยได้ครอบได้เดี๋ยวก็หลุดอีกแลแต่ก็ยากที่นักปฏิบัติเนี่ยจะผ่าน เพราะด่านมนเยอะแล้วเกินเพรเห็นความม่วงความม่วงนี่ก็หนักแล้วก็ความคิดที่หลอกให้ไปทำอย่างอื่นบางผมก็เลิกไปเลยเพราะปฏิบัติแล้วหรือไม่ก็คิดว่าตัวเองรู้ธรรมะเพอาะถ้าฝึกจริงๆเนี่ยอย่าว่าแต่วความโกรธเลยไม่แต่ความคิดธรรมะยังไม่ใช่เลยเพราะามันล่อเราสารพัดไม่ใช่เป็นความคิดธรรมะความโกรธแล้วอารมณ์อื่นอีกมากมายมาล่อให้เราหลงความคิดเนี่ยถ้า เราเป็นนายมาเนี่ยก็ใช้ได้มีประโยชน์แต่ถ้ามันเป็นนายเราเนี่ยน่ากลัวจะเป็นเหมือนโกเทียรหรือเล่าปีเนี่ะผู้บัญชาสั่งให้เราไปทําอะไรก็ได้บางคติคุกติดลารางก็เพราะตกเป็นท่าของความคิดนี่แหละควาคิดอึ่งน่ากลัวสลาบนักปฏิบัติเนี่ยอารมณ์โกรธอารมณ์เกลียดเนี่ยเป็นอารมณ์ที่ไม่มีใครชอบหรอกเพราะว่ามันเผาต่างกับอารมณ์อ า, มณอารมณ์บุญอารมณ์บุญเนี่ยคนชอบทําให้คนมีความสุข อารมณ์เหล่าเนี้ยหรืออารมณ์คิดธรรมะถ้าคนฝึกใหม่ๆถึงจุดหนึ่งเนี่ยถ้าทําถึงจุดตรงล็อกนะมันจะเริ่มเห็นความคิดลนะเริ่มสัมผัสความคิดที่เข้ามาครอบงามเราเพาะมันเป็นสิ่งแปลกปลอมไนงะคือหลวงพ่อเขียนใช้คําว่ารักคิดรักคิดเดินมาส่วบันทีเลยขายเราเผล่นะถ้าเราไม่เผลอเราคว า, ามคิดบางทีล้อใช้มนะันแล้วก็ต้องเจตนาคิดตัวรักคิดเนี่ยมันจะเผลอเข้ามาแล้วนําอารมณ์เข้ามาด้วยนําอารมณ์ความโลภความโกรธ ความหลงต่างๆเข้ามาครอบงำจิตใจเราให้เราทำตามมันหรือปรุงแต่งตามที่มันสั่งถ้าเราไม่เห็นมันไม่สัมผัสมันเนี่ยเราก็เชื่อมันคิดเรื่องคนอื่นคนโน้นคนนี้ไปอย่างนี้ลืมกลับมาดูใจเราเองเพราะทุกเรื่องมันไม่ใช่เรื่องจริงเลยแต่ความคิดเนี่ยมันทำให้เป็นเรื่องจริงเพราะมันนาอารมณ์มาด้วยไงอารมณ์ที่มาครอบงาใจเราถ้าคนเห็นหรือสัมผัสบ่อยๆเนี่ย มันก็รูดจักอารมณ์นั้นพราะรู้จากอารมณ์ น, ม น, มนั้นเนี่ยการปฏิบัติก็ถึงต้นทางแล้วคือเริ่มที่จะเดินต่อไปได้เองให้ความสึกตัวมันทำหน้าที่กัมันเองแต่ลมพวกนี้มันเสื่อมได้นะถ้าเราเราไม่ทำความเพียรเราไม่ตามรู้ไม่รู้กายไม่รู้ใจเนี่ยมันก็เสื่อมแล้วก็ถูกกิเลสครอบงำเหมือนเดิมแต่ถ้าเราทำควาเพียรบ่อยๆขยันรู้ขยันตามรู้ตามเห็นเนี่ย รูปแบบบ้างในรูปแบบบ้างเนี่ยอารมณ์พวกนี้เราสัมผัสด้บ่อยเนี่ยอารมณ์พวกนี้ก็ไม่แรงเราก็อิสระจากมันได้ถึงนี้อนาพูดวันนี้ก็ถือว่าเป็นพูดเรื่องยาพิษใน จ, ใจิตใจนั้นเราก็เลาถอนยาพิษเนี่ยด้วยธรรมโอสถ ด, ด้วยสติด้วยความรู้สึกตัวคุณมาก็เห็นว่าสมควรกับเวลาก็ขอให้ญาติโยมมีความสุข แล้วมีความเจอธรรมยิ่ขึ้นไปในวัง